วันนี่ของพุทธจะเป็นแบบนี้มันถ้าใครศึกษาใครเข้าใจอย่างนี้ได้โอ้คุณระลึกชาติอย่างนี้ได้แล้วเกิดมรรคผลเกิดประโยชน์กับตัวเองอย่างสูงแม้ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วจะไปเป็นนายโน่นนางนี่หรือไปเกิดไปอะไรก็ช่างเถอะไม่ได้ ส, สำคัญสำคัญที่ชาตินี้อันนี้เป็นคำตอบข้อที่สี่ถามว่าตายแล้วไปไหนถ้าพ่อท่านตอบ พ่อท่านตอบว่าอย่างไงตายแล้วไปไหนฮะตายแล้วไปวัด <c oughs> ก็มีพ่อท่านก็เคยตอบอย่างนั้นนก็เคยตอบว่าตายแล้วเราไปวัด <c oughs> ก็มีบางคนก็ตอบตายแล้วเราไปเผาอก็มีแต่คิดว่าผู้ที่ถามอันเนี้ยนะ่าคงหมายถึงว่าอยากจะรู้ว่า ตายแล้วเนี่ยสภาพของวิญญาณไม่รู้ถูกไหมนะไม่รู้นะคาถามของใครเนี่ยเพราะว่าเท่าที่สังเกตมาโดยทั่วไปต้องการรู้ว่าตายไปแล้วเนี่ยสภาพของวิญญาณมันมันมันไปไหนมันไปยังไงไม่รู้ว่าเข้าใจถูกไหมเนี่ยอาจจะมาเข้าใจคําถามนี้ถูกไหมเนี่ยใครเป็นคนถามถูกก็ปรายกเออมันมีหรือไหมด้วยใช่ไหม คือวิญญาณเนี่ยมีแน่นอนเพราะคนเราเนี่ยคนที่จะมีชีวิตอยู่อยู่ได้ปกติเนี่ยนะหมายถึงมีชีวิตอยู่จะต้องหนึ่งประกอบด้วยกายสองจะต้องประกอบด้วยวิญญาณเพราะนั้นคนที่จะมีชีวิตได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยสองส่วนนี้ถึงจะมีชีวิตถ้าเป็นคนไม่มีชีวิตควนี้คนตายคนตายเนี่ยพูดง่ายว่า ร่างกายก็ใช้ไม่ได้แล้วนะร่างกายก็พูดง่ายว่าว่าทิ้งไปนะไม่ไม่ถ้าร่างกายที่ไม่มีวิญญาณร่างกายไหนที่ไม่มีวิญญาณประกอบด้วยแล้วร่างกายนั้นก็เหมือนอะไรอะ่ะจะเหมือนสำลีเหมือนโตะ๊ตะเก้าอี้เหมือนต้นไม้อ่าจริ ง, จ, รงจะว่าเหมือนต้นไม้ยังไม่ได้เลยถ้าจะว่าเปรียบเหมือนต้นไม้ก็ เหมือนกับต้นไม้ที่ ท, ที่ตายแล้ว <c oughs> คือจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยนะเอายกตัวอย่างต้นไม้ก่อนต้นไม้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะถ้าตอนที่มันมีชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแต่เขาเรียกว่าไม่มีวิญญาณครองอยู่คือไม่ประกอบด้วยวิญญาณเพรา ะ, ะต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่ต้นไม้ที่ยังไม่ตายต้นไม้นั้นก็สามารถ ได้แสงแดดได้อากาศได้น้ำแล้วก็เจริญเติบโตได้แต่พืชเนี่ยไม่มีวิญญาณพรนะอันี้เนี่ ย, ยคือต่างต่างจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์หรือเรียกว่าสัตว์เพราะมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยถ้าตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยต้องประกอบด้วยร่างกายแล้วก็วิญญาณ อ๋อวิญญาณนี่เป็นของเขาเองไม่ว่าวิญญาณ น, นั้นจะเปลี่ยนไปกี่ชาติก็ตามมันวิญญาณเนี่ยจะจะพูดง่ายจะเกิดอยู่ตลอดอะถ้าตาบได้ไม่มีร่างนี้อยู่แล้วคนนั้นก็ไม่สามารถดับวิญญาณได้คนที่จะดับวิญญาณได้เนี่ยคือคือใครคือประเภทไหนนะ อ้าวตอบฮะเออพระอรหันนะหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องได้อนาคามีอย่างน้อยที่สุดคุยง่ายว่าดับวิญญาณไปได้คำว่าดับวิญญาณไม่ได้หมายถึงว่าทำให้วิญญาณเนี่ยมันสูญสลายหายไปจากโลกนี้นะเพราะสภาพของวิญญาณเนี่ยเป็นเสมือนพลังงานไม่สูญสลายไปจากโลกนี้ ซึ่งอันนี้ไอสไตล์ก็พิสูจน์มาแล้วนะว่าสารหรือพลังงานทั้งหลายเนี่ยนะในโลกนี้ไม่มีวั น, นสูญสลายเพียงแต่ว่าที่เราใช้คำว่าวิญญาณเนี่ยดับเราใช้คำว่าวิญญาณดับเนี่ยก็หมายถึงว่าทำให้วิญญาณวิญญาณเนี่ยมันเป็นองค์รวมของสภาพจิตใจต่างๆที่เราเนี่ยไปสะสม อ, อะไรอะเอามารวบรวมเข้าไว้ จนเป็นสภาวะของวิญญาณเสร็จแล้วก็พูดง่ายว่าทำให้วิญญาณที่มันเกาะกลุ่มเป็นก้อนซึ่งเรามองไม่เห็นมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเหรอกมันก็เป็นเหมือนกับที่พ่อท่านบอกว่าเป็นเหมือนสภาพของพลังงานเท่านั้นเองซึ่งทำให้มันแตกกระจายออกไปซะให้มันรวมตัวกันไม่ได้เมื่อมันวิญญาณเนี่ยโดนทาให้ดับหรือทาให้แตกกระจายออกไปแล้วไม่สามารถกลับมารวมตัวเป็น บิญยาณได้ใหม่นั่นแหละคือลักษณะของผู้ที่ปรินิพานคือผู้ที่ไม่กลับมาเกิดอีกบิน ญ, ญาณนั้นน่ะไม่สามารถที่จ ะ, ะกลับมาอะไร อ, อาศัยร่างที่จะเกิดได้อีกเพราะบิญญาณนี่แตกสลายออกไปแล้วแต่ก็กระจายไปอยู่ในโลกเนี้ยแหละก็กระจัดกระจายไป แต่ไม่มีการมารวมตัวกันอีกแล้วเพราะนันมันก็ไม่เป็นสภาพของถ้าเขาเรียกกันก็อาจจะไม่เป็นดวงวิญญาณแล้วแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นดวงๆวนะคือคื อ, คอเราบางทีดูหนังดูละครดูอะไรมากเราชอบนึกวิญญาณก็เป็นะลรเป็นดวงสว่างๆเป็นก้อนอะไรกลมๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆมันไม่ใช่เป็นงั้นเพราะสภาพวิญญาณนี่ผู้เจ้าท่านตรัสเลยนะว่าวิญญาณเนี่ยอสรีลัง อ น, นันตังอณิทัศนังอสลีลังคือวิญญาณไม่มีรูปร่างอ น, นันตังก็ไม่มีที่สิ้นสุดอณิทัสนังก็คือมองเห็นไม่ได้สภาพของวิญญาณแล้วก็วิญญาณังอนัตตาคือวิญญาณมันไม่ได้มีตัวตนนะมนไม่ได้เป็นรูปร่างมันจะเป็นตัวตนนะอันนี้ก็เป็นคําตัดที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้เลย เพราะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเขมีสมัยโบราณเขามีคนพยายามจะสแสวงหาว่าวิญญาณเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็พยายามจะดักจับวิญญาณให้ได้ว่ามันมีรูปร่างมันมีรูปทรงมันเป็นยังไงบ้างเพราะบางคนเนี่ยมีมีพระราชาพระราชาพระองค์หนึ่งในอดีตก็เลยเอาพวกนักโทษเนี่ยมานะเอาพวกที่จะต้องโดนประหารชีวิตจะต้องอะไรพวกเนี้มาแล้วก็ เอามีดมากรีดตามเนื้อตัวเนี่ยนะเพื่อที่จะหาว่าบิน ญ, ญาณอยู่ตรงไหนแต่หายังไงก็หาไม่เจอหายังไงก็หาไม่เจอจนในที่สุดเนี่ยจะจะแย่ก่อแล้วนะจะโอ้โหอะไรอ่ะปาดตรงนั้นปาดตรงนี้จริงๆไอ้คนนั้นก็ตายอ่นะโอ้โห ท, ทรมานโทรกรรมแต่ว่าเนี่ยพระราชาพระองค์เนี้ยก็ ต้องการจะรู้ให้ได้ว่าบิญ ญ, ญาณอยู่ตรงไหนในร่างก็หาวิธีต่างๆหาตั้งหลายวิธีน่ทำตั้งเยอะตั้งแยะแต่ต่มาจำจำวิธีหนึ่งที่เขาจะหาบิญญาณเนี่ยโดยที่เขาเอาคนตายเนี่ยไปใส่ไปใส่กระทะเสร็จแล้วก็หาฝาปิดนะแล้วก็มีรูเล็กๆอยู่รูหนึ่งพูด <Spin ne Princess> ง่ายๆไอ้รูเล็กๆเนี่ยเพื่อให้ เดี๋ยวเ๋ยวไอ้ไอคนข้างในมันตายเนี่ยนะสืว่าเอาเอาจะเอาน้ำต้มหรือว่าจะเอาไฟเผาก็แล้วแต่ไอ้คนข้างในตายเนี่ยไอ้รูเนี่ยเผื่อว่าวิญ ญ, ญาออกก็ต้องออกที่รูนี้ <c oughs> ไม่มีทางอื่นให้ออกนะที่อื่นนี่ปิดหมดเลยก็ปรากฏว่าพระราชาพระ อ, องค์เนี้ยก็จัดการอย่างนี้เลยนะโอ้โหเอานักโทษมาเสร็จแล้วก็เอาใสา่กระทะนี้เลยแล้วปิดให้แน่นหนาให้หมดเลย ท, ทั้งทั้งที่แอนันเป็นเป็นปน่แหละ เสร็จแล้วพอปิดเสร็จแล้วก็เหลือรูเล็กๆไว้รูหนึ่งเพื่อที่ให้บิญญาณเนี่ยโผล่มาจากรูนี้แหละเพราะไม่มีทางอื่นไปแล้วเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นแต่ปรากฏว่าทำวิธีนี้แล้วก็ยังไม่เห็นวิญญาณเลยส่วนไอ้ไอโจนนันนั้นก็ตายซีง่างแกไปแล้วเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยมีจริงแต่มันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนให้เราจับต้องให้เรา ให้เราพิสูจน์เป็นรูปร่างเป็นอะไรได้เพราะนั้นมันเลยพูดกันยากเพราะบางทีเนี่ยมีคนมาถามพู้เจ้เจ้าผู้เจ้าท่านมันเลยไม่ตอบเลยนะบางทีเพราะว่าอย่างเช่นว่าถามแล้วเนี่ยตายแล้วจะไปไหนในพระไตรปดกนี่ก็มีเลยผู้เจ้าท่านไม่ตอบอะทาไมถึงไม่ตอบเพราะหนึ่งคนที่ถามเป็นไงก็ยังไม่ตาย คนที่ตอบก็ยังไม่ตายเพราะนั้นทั้งคนถามทั้งคนตอบยังไม่ตายทั้งคู่ก็เลยไม่รู้ว่าไอคนตายเนี่ยมันไปไหน <c oughs> อาตมาจำชื่อพระสูตรไว้ได้ชื่ออะไรนะมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าปาราสิหรือยังไงเนี่ยนะจำชื่อไม่ได้แล้ว ที่แบบว่าอันนี้แหละโอ้โหพยายามจะหาให้ได้เลยจะหาให้ได้เลยว่าคนเราตายแล้วเนี่ยจะไปไหนจะอะไรยังไงอืมซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยสงสัยกันเยอะนะแต่ไปไปม า, มาเนี่ยท่ามกลางความสงสัยแล้วก็บางทีพระเจ้าท่านก็ไม่ตอบนะบางครั้งเนี่ยท่านก็ไม่ตอบอย่างนั้นแต่บางครั้งเนี่ยท่านก็พยากรณ์นะว่าภิกษุรูปนั้นสาวก องนี้ตายไปแล้วก็จะไปเกิดไปนั่นไปเกิดไปนี่อะไรเนี่ยท่านก็พยากรณ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนเราตายแล้วเนี่ยถ้ายังไม่สามารถดับวิญญาณได้วิญญาณก็พาไปเกิดอีกนะจะไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ก็แล้วแต่และแต่ก็ต้องไปเกิดอะไรที่พาไปเกิดะมีอยู่คำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่นใช้ว่าตัวนี้แหละ ที่พาให้ไปเกิด oh, อ๋ออตมาก็พูดบ่อยจังเลยอะไรที่พาไปเกิดใครจำได้มั่งมันมีคำอยู่คำหนึ่งพูดเจ้าท่านก็จะใช้คำนี้อ่ามันใช้คำว่าตันหาพาไปเกิด <laughs> ตันหาก็คือความอยากนั่นเอง ถ้าหมดความอยากซะได้อะก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็จะบริญิพานไปก็จะไม่เกิดไม่ต้องไปถึงกับเราไม่ต้องไปนึกถึงไกลจนทั้งแบบว่าอะไรอะตายจากชาตินี้แล้วไปเกิดชาติหน้าหรอกเอานึกในชาตินี้เลยชาติเนี้สมมติว่าเราชอบอะไรเราติดอะไรน่าเราอยากอะไรแสดงว่าตอนเนี้ยสภาพวิญญาณเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ย ปรากฏว่ามันก็อยากอ ย, กอยู่เรื่อยใช่ไหมอยากในสิ่งนั้นน่ะที่เราชอบนั่นแหละก็อยากมีอยากเป็นอยากได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตราบใดเนี่ยถ้าวิญญาณใครมีตัณหาแบบนี้แหละมีตัณหาอย่างเนี้ยถ้าสมมุติว่าชอบกินไอศครีมตัณหามันก็จะพาให้เดี๋ยวก็พาไปกินเดี๋ยวก็พาไปกินไอศครีมเดี๋ยวก็พาไปกินไอศครีมนี่แหละคือความอยากแม้แต่วิภาวะตัณหาก็ตาม ไม่ต้องแค่เป็นการมาตัณหาไม่ต้องแค่เป็นภวะตัณหาแม้วิภวะตัณหาก็ตามก็ยังเป็นตัวพามาเกิดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่พูดยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันสลับซับซ้อนแล้วบอกแล้วพูดไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจนี่นะถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็เอ๊ะเราจะรู้ได้อย่างไงอ่ะ ก, ก็ก็ตายแล้วเนี่ยต่อให้อัตมาพยายามจะพูด พยายามจะอธิบายยังไงก็ตามแต่ถ้าถ้าคุณไม่เข้าใจกันเนี่ยนะคุณก็ต้องคิดล้าจะรู้ได้ไงว่าจริงหรือไม่จริงเคยมีที่อัตมาบอกพระเจ้าปายาสิเนี่ยปากฏก็บอกว่าไหนบอกว่าถ้าตายแล้วเนี่ยก็จะต้องเกิดอีกใช่ไหมก็ก็พูดก็พูดบอกว่าเนี่ยถ้าตายจริงแล้วคนจะต้องมาเกิดอีก เนี่ยปรากฏว่าเขามีญาติคนหนึ่งอ่าสมมตินะพระราชาเนี่บอกว่าเนี่ยมีพระประยุรญาติอยู่คนหนึ่งตายแล้วปรากฏว่าก่อนจะตายเนี่ยสั่งเสียสั่งเสียเอ๋่นจะตายเนี่ยนะบอกว่าถ้าตายแล้วนะตายไปเสร็จแล้วเป็นวิญญาณเนี่ยก็กลับมาบอกนะว่าตายไปแล้วเป็นยังไงบ้างกุษ oh. าสั่งเสียไว้ก่อนตาย oh. okay. แต่ปรากฏว่าพระราชาพระองค์เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไอ้พวกที่ตายตายแล้วเนี่ยสั่งกําชับไว้อย่างดีแล้ว ปรากฏว่าไม่มีใครกลับมาบอกสักคนหนึ่งแล้วก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยจะบอกได้ยังไงว่าว่าบิญยาณใช่ไหมมีกลับมาเกิดจริง <c oughs> อ้าพูดแล้วก็น่าฟังใช่ไหมก็น่ามีเหตุผลอแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> ใครอยากรู้รายละเอียดอย่างนี้เพราะว่าเรื่องนี้ก็สอนไปตั้งนานแล้วโอ้โหเรื่องนี้เนี่ย เทปตั้งสี่ม้วนได้มึงเอ่าสี่ม้วนได้มึงเพราะยาวเลยพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ยาวมากโอ้โหแล้วพระราชาคนนี้เหลือกเกินจริงๆ <c oughs> เหลือกเกินจริงๆมีเหตุผลแม่แจ๋วแจ๋วทั้งนั้นเลยนะเอามาอ้างเอามาอ้างซึ่งซึ่งถ้าเราเองเนี่ยเราไม่มีความรู้เรื่องเรื่องของจิตวิญ ญ, ญาณเนี่ยรับรองเลยว่าแพ้พระราชาพงนี้ไม่สามารถที่จะตอบพระราชาได้ แต่ปากฏว่ามาจาไม่ได้ว่าพระภิกษุนี่ชื่ออะไรบกุมานกัสปะเหรอใช่นะจาแม่นน ะ, ะนะปากฏว่าโอ้โหก็ตอบอย่างยอดเยี่ยมเลยนะตอบจนเรียกว่าพระราชาพระ อ, องค์นี้นี่ในที่สุดนี่ยอมยอมว่เออวิญญาณอย่างนี้เชื่อได้ว่ามีจริงแต่มันยาวเล่าไม่ไหว โอ้แล้วเรื่องนี้น่าอัตมาอยากจะบอกว่าน่าศึกษาน่าอ่านมากเพราะว่าจะทำให้เราคลายใจในเรื่องของวิญญาณได้มากเลยเพราะนั้นโยมที่ถามนี่นะอยากจะแนะนำว่าลองๆไปอ่านพระไตรปิฎกก็ได้ที่ห้องสมุดเรามีพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้โยมโยมอย่าไปเข้าใจอ ย, อย่างนั้น คือวิญญาณในโลกเนี่ยมันของใครของมันแล้วมันไม่มีใครผลิตไม่มีบริษัทผลิตวิญญาณหรอกนะ <c oughs> ของเก่าสิ <c oughs> ก็บอกแล้วว่าคนนั้นเนี่ยก็มีตัณหานี่แหละมีความอยากที่จะเกิดนี่แหละเขาก็ไปหาร่างใหม่ที่จะเกิดเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแค่ร่างใหม่เท่านั้นแหละแต่วิญญาณเนี่ยเก่า เออโยมอย่างนี้โยมยังไม่เข้าใจสภาพความเป็นจริงคือสิ่งที่มีชีวิตที่มีวิญญาณเนี่ยนะมีทั้งคนมีทั้งสัตว์แล้วทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยวิญญาณไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในโลกเนี่ยโยมจะต้องรู้ว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็นั่นนาที่มันเยอะแยะใช่ไหมล่ะ <ney God. S 1> ไม่ไม่ต้องมีเพิ่มละโยมนะ ไอ้เท่าที่มีอยู่ที่อาตมาว่ามันก็จะล้นโลกกระย่าอยู่แล้วนะเพราะนะั้นอาตมาถึงบอกว่าเรื่องเนี้ไม่เข้าใจยากครับผู้เจ้าถึงบางทีไม่ตอบเลยเพราะว่าตอบไปแล้วก็ยิ่งเผลอยิ่งสงสัยหนักขึ้นอ <c oughs> คือตอบไปแล้วยมก็ไม่เชื่อไงพูดง่ายๆคือตอบไปแล้วยมก็จะไม่เชื่อเออ ก็ถ้าถ้าต่อไปถ้าโยมอาตมาตอบไปเนี่ยถ้าโยมเข้าใจเนี่ยนะมันก็จะหมดสงสัยแต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็จะยิ่งงงหนักยิ่งขึ้นแล้วมันจะซ้อนไปเรื่อยมันจะซ้อนไปเรื่อยเพราะมันสามารถที่จะคิดได้อาตมาถึงบอกว่ามันสามารถที่จะคิดได้เพราะฉะนั้นอ่ะอาตมาถึงบอกไม่สงสัยเลยว่าทําไมพระเจ้าถึงไม่ตอบอาตมาถึงไม่สงสัยเพราะว่าเผลอๆเนี่ยก็มัวคิดแต่เรื่องพวกนี้แหละทั้งทั้งที่ความเป็นจริงอะนะ เราตายแล้วจะไปเกิดไปอะไรนะช่างหัวมันเถอะขอให้เราทําชาติเนี้ยชีวิตเนี้ยตอนที่มีชีวิตอยู่นะถือศีลปฏิบัติธรรมหรือทําความดีเนี่ยให้ดีถ้าเราทําให้ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวตายไปมันมันไปดีขึ้มมนเองแล้วมันก็จะไปได้เกิดเป็นคนเองอะ่ะมันจะไม่ต้องไปเป็นยุงไม่ต้องไปเป็นมแมลงวันไม่ต้องไปเป็นไส้เดือนไม่ต้องไปงูเกียวเกียวตะขอที่ไหน แต่ถ้าสงสัยสงสัยสงสัยสงสัยอยู่มากๆเข้ามากมากเข้าไอ้ตัวสงสัยเนี่ยแหละมันจะยิ่งทำให้เราเนี่ยหมดพลังนะในการที่จะคิดสร้างสรรในการที่จะทำดีดีไ NO อ้นี่เพราะมันมาติดอยู่ตรงเนี้ยมันมาคาอยู่เนี่ยมันจะเกิดความสงสัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็แล้วแต่โยมถ้าโยมพอใจก็แล้วแต่ <c oughs> ถ้าพอใจอย่างนั้นระวังมันเป็นจริงๆนะ อ้าจริงๆผูธเจ้าท่านตรัสไว้เลยพู้วิจารท่านตรัสไว้เลยถ้าพอใจอย่างนั้นพอใจอย่างนั้นพอใจอย่างนั้นน่ยมันเป็นเขาเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐินี่มันตั้งเอาไว้เมื่อตั้งเอาไว้เนี่ยแล้วความสามารถคนนั้นเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆได้ด้วยเพราะว่าสภาพของสัตว์ต่างๆเนีน่ยมันจะมีสภาพของสัตว์ที่ผู้ยัง่ายว่าสภาพของวิญญาณเนี่ยคุณภาพของวิญญาณว่าเออคุณภาพวิญญาณขนาดนี้เป็นสัตว์ชนิดนี้ได้ สัตว์ชนิดนี้เรียกว่ามนุษย์ถ้าวิญญาณคุณภาพขนาดนี้เป็นสิงโตได้เอ้าคุณภาพขนาดนี้เป็นช้างได้เอ้าไม่ใช่อยู่ดีๆแต่ละคนจะเลือกเป็นสัตว์ชนิดไหนก็เป็นได้นะที่จริงเนี่ยมันต้องเป็นไปตามคุณภาพของวิญญาณด้วยที่ขีดความสามารถสูงสุดเนี่ยเป็นได้ขนาดไหนถ้าขีดความสามารถสูงสุดของวิญญาณเป็นช้างได้คนที่มีสิทธ์เป็นช้าง ตามคุณภาพของวิญญาณแต่ปรากฏว่าคนนี้เกิดไม่อยากเป็นช้างอ่ะอยากเป็นมแมลงวันนะนะเพราะรู้สึกว่าช้างสู้มแมลงวันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนนี้ก็เลยตั้งจิตเลยเพราะคุณภาพก็ถึงนะเขาสามารถเป็นมแมลงวันได้คนนี้ก็จะเป็นมแมลงวันจริงๆมิงจระเจาทก็บอกเลยเพราะว่าคุณภาพมันเป็นได้เพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยตั้งจิตเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็อยู่ที่ จิตด้วยจิตของเราที่เรากาหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ต่ำกว่าที่ที่เราสามารถจะเลือกได้คนนั้นก็เลือกได้แต่ถ้าสูงกว่าที่เราจะเลือกเราเลือกไม่ได้เพราะนั้นที่ทำไมบอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้คำว่าเลือกเกิดไม่ได้เพราะว่าคุณต้องเป็นไปตามกรรมตามกรรมิจ ค, ความสามารถที่เราสะสมที่เรากระทำบุญบา ร, รมีหรือว่า ไปสร้างกรรมวิบากเอาไว้ะฉะนั้นคนนั้นก็จะเป็นได้เท่าที่ตัวเองจะเป็นได้ไม่สามารถจะเลือกอย่างเช่นเราอยากจะเกิดเป็นคนนะเสร็จแล้วก็อยากจะเกิดเป็นลูกนายกนะ <c oughs> ไม่ได้อันนี้ต้องสะสมบารมีให้ให้ขนาดหนึ่งยิ่งถ้าจะไปเป็นอย่างพระลาหุนอย่างเงี้ยโอ้โหลูกของเจ้าชายศิทธาอาคุณต้องบำเพ็ญบารมีนะ คุณไม่บำเพ็ญบารมีมาคุณเป็นไม่ได้ต่อให้อยากเป็นก็เป็นไม่ได้เพราะงั้นการที่อยากเป็นเนี่ยจะเป็นได้ก็เฉพาะบอกแล้วว่าเป็นไปตามขีดความสามารถที่เราจะเป็นได้แล้วเป็นจริงๆอันนี้พระเจ้าท่านตัดเลยว่าเป็นจริงๆมันไปตามนั้นเลยแต่ตอนนี้ถ้าคนที่ถือศีลปฏิบัติธรรมมาฉลาดแล้วนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกในสิ่งที่ดี แล้วก็ตัวเองเป็นได้มันก็จะไปตามนั้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยดิ้นลนจะไม่อะไรเนี่ยมากส่วนใหญ่ที่จะดิ้นลนแล้วก็จะเร่าร้อนมากเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสภาพเหมือนกับสภาพจิตวิญญาณที่เขาเรียกว่าเหมือนกับสัตว์นรกคำว่าสัตว์นรกเนี่ยหมายถึงสภาพจิตวิญญาณที่มันเหมือนกับตกนรกนะเป็นเปนเป็นอสุรกายเป็นอะไรพวกนี้ที่มันเร่าร้อนทุร น, นทุรายกระวนกระวายมีทุกข์ทรมานเพราะสภาพวิญญาณพวกนี้มัน อยากจะไม่รู้แล้วนะเกิดได้เกิดเลยอ่ะเพราะว่าสภาพจิตวิญญาณที่มันไม่มีสังขารเนี่ยไม่มีร่างกายไม่มีตัวตนเนี่ยมันทรมานมากมันทรมานมากเพราะทำอะไรไม่ได้เลยมันเหมือนกับอยู่ในพบอยู่ในความรู้สึกของตัวเองฝ่ายเดียวแต่ไม่มีมือไม่มีเท้าไม่มีอะไรให้ทําเลยนะคุณเพราะมันตกอยู่ในอารมณอย่างไงมันก็ตกอยู่อารมณ์อย่างเงี้ยถ้าตกอยู่ในอารมณ์ที่โกรธแค้นเกลียดชัง ตกอยู่ในอารมณ์ที่แบบว่าทุกทรมานมันก็ทรมานอยู่อย่างนั้นว่ามันมีทางเดียวก็คือต้องดิ้นรนเพื่อให้หลุดจากความทรมานก็คือต้องมาผุดมาเกิดยกเว้นว่าสภาพจิตปิญญาของคนคนนั้นเนี่ยนะคุณภาพมันไม่พอให้ไปผุดไปเกิดนะบางทีเขาก็เรียกว่าสัมพเวสีเ็มันก็ล่องลอยอยู่อย่างนั้นก็ล่องลอยหาที่เกิดยังไม่ได้ หรือพวกเปรตเนี่ยเขาก็บอกว่าอันยังไม่สามารถจะมาผูกมนเกิดได้มันทรมานนะอะ่มันอยากนะมันอยากจะเกิดแต่ว่าพูดง่ายว่ามันเหมือนกับที่เขาบอกว่าไปใช้กรรมหรือไปรับบาปเนี่ยคือมันมันยังเกิดไม่ได้เพราะเพราะตัวเองไม่ใช่เพราะใครเพราะสภาพของจิตวิญญาณของตัวเองก็จนกว่าคนเนี้ยความทุก ที่ชดใช้นี่ที่เขาบอกว่าตกนรกแล้วก็ไปใช้นี่ในนรกขุมนั้นขุมนี้อะไรคําว่าใช้นี่หมายถึงว่าสภาพจิตวิญญาณเนี่ยนะมันรู้ทุกข์มันเห็นทุกข์มันเข้าใจทุกข์แล้วมันก็ทรมานจริงๆ จ, จนมันไม่อยากอยู่กับสภาวะเดิมๆอย่างนั้นแล้วเก่าๆอย่างนั้นมันก็จะดิ้นออกมาให้ได้เพื่อที่จะไปเกิดมันจะไปเกิดเป็นส่วนใหญ่ก็จะมาเกิดเป็นเดรัจฉานต่างๆพอมาเกิดแล้วมันก็ถึงจะเออ พ้นทุกข์ขึ้นมาขนาดหนึ่งเพราะมันมีตัวตนมีร่างกายที่จะกินสูบดื่มเสพจะทำอะไรก็ได้แต่ตามคุณภาพของสัตว์ชนิดนั้นๆก็จะเกิดสภาวะพวกนี้นะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าโอ้ยเรื่องพวกนี้มันยุ่งเหยิงมันวุ่นวายพระเจ้าถึงบอกเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยเป็นอจินไตยไม่สามารถที่จะมาพูดกันง่ายๆไม่สามารถที่จะ อธิบายได้ไง่ายๆเพราะมันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมันเป็นเรื่องที่ยุ่งวุ่นวายพอสมควรแล้วบอกมีทางจะคลายจิตมีทางจะแก้ความสงสัยในเรื่องพวกนี้ได้ไหมพระเจ้าบอกว่ามีทางเดียวก็คือนะไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้หรอกนะถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนคุณเป็นพระโสดาบันได้เป็นสกิทาคามีได้เป็นอนาคามีได้คุณหมดสงสัยเองเรื่องพวกนี้จะหมดสงสัยเลย แล้วไม่แปลกใจเลยว่ามันจะเป็นยังไงจะอะไรยังไงไม่แปลกใจไม่ประหลาดใจอะไรเออมันมันมันมันจะสภาวะจิตเนี่ยมันจะเข้าใจเองไม่ห่วงไม่กังวลด้วยนะแล้วก็ถึงขั้นท่านะถึงสูงขึ้นสูงขึ้นไอเรื่องกลัวตายเรื่องอะไรเรื่องธรรมดาไม่กลัวมันจะต้องตายเตย อ, อะไรหรอกแล้วไม่กลัวนะว่าจะต้องไปเกิดไปเป็นอะไรต่ออะไรไม่กลัวหรอกเพราะว่า ชัดเจนในผลกรรมของตัวเองว่าตัวเองทำอะไรไว้นะบางทีตัวเองอย่ังพอพยากรตัวเองได้เลยว่าว่ามันจะไปเป็นยังไงบ้างอาจจะเข้าๆ้าวนะวเออคงไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานะ่ะก็เหมือนพระเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเป็นพระโสดาบันใช่มก็มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาแล้วอตายก็ถ้าตายเนี่ยถ้าถึงแก่ความตายก็ไม่ตายไปด้วยความหลง หลงผิดเนี่ยไม่ตายด้วยความหลงมันถ้าเราเข้าใจพวกนี้ได้เนี่ยเราก็จะแบบว่าเออเอเ อ, เอมันก็จะพ้นสงสัยได้เองซึ่งอาตมา ก, ก็เลยพยายามบอกโยมว่าลองดูลองอทําความเข้าใจลองอะไรนี้ให้ให้มากขึ้นแล้วอย่าไปติดพวกนี้มากอาตมาเห็นตัวอย่างมาไม่น้อยแล้วละ่ะมีแต่ก่อนเนี้ยมีคนหนึ่งก็มาอยู่วัดเสร็จแล้วก็สงสัยเรื่องเนี้ย คุยทีไรถามทีไรก็จะถามเรื่องวิญญาณเนี่ยต่อไปให้ฟังยังไงก็ยังสงสัยอยู่อย่างนั้นต่อไปให้ฟังยังไงก็สงสัยอยู่อย่างนั้นอ่ะเขาบอกแล้วว่ามันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอะไรเนี่ยที่จะเอามาเป็นแท่งก้อนเอามายืนยันเอามาพิสูจน์อะไรกันได้เลยเพราะฉะนั้นในที่สุดก็เลยบอกเอา้าพอแล้วกันปฏิบัติทำกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็คงจะ หายสงสัยจะพ้นวิจิกิจฉาได้เองแล้วในที่สุดก็ต้องต้องเป็นอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยเขาไม่ไม่คลายสงสัยง่ายๆก็สงสัยอยู่อย่างนั้นนะเขาก็พยายามนะมันอยากจะคลายออกอยากจะคลายออกแต่ปรากฏว่าคือคือคือไป ค, คิดไปซะเยอะแล้วอนะปรากฏว่ามันก็คายอยู่ว่าสมองเนี่ยโอ้โหเขาพยายามสลัดสลัดมันก็ไม่ค่อยหลุดนะเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้ว เดี๋ยวก็มาอีกล้เลยยากเลยต่อหลังก็เลยอยู่ที่สันติสุกนี่ไม่ได้เพราะว่ามันคลายไม่ออก <c oughs> ก็เลยต้องก็เลยต้องเที่ยวตะเวนไปที่โน่นที่นี่ที่อะไรเพราะว่าอยากจะให้สิ้นสงสัยให้ได้ <c oughs> ซึ่งอาจา์มาฟ้องได้เลยบอกว่า <c oughs> โอ้โหเอาเถอะกุณเสียเวลาในชีวิตไปมากมายเยอะแยะโดยที่แทนที่เนี่ย เราจะปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ได้มากผลได้บารมีเพิ่มเนี่นะเราเสียไม่เวลามาติดอยู่กับไอ้ความสงสัยตรงเนี้ยแล้วต่อให้คุณรู้แล้วอา้าวพอคุณรู้แล้วเนี่ยแล้วคุณได้อะไรจากจากความรู้ไอ้ไ อ, อ้พ้นความสงสัยเรื่องเนี้ยคุณได้อะไรบางทีมันก็ี่ก็ไม่ได้อะไรนะก็ไม่ได้รวย ข, ขึ้นหรือว่าก็าไม่ได้ดิบได้ดีอะไรขึ้น อัตมาถึงบอกว่าเออเข้าใจจริงๆว่าทําไมพระเจ้าถึงบางทีไม่ตัดตอบเรื่องพวกนี้เข้าใจแต่บางครั้งก็คิดบ้าเอาก็ลองตอบดูบ้าง <c oughs> บางครั้งก็ลองตอบดูบ้างอันนี้ดือ้อนี่นี่ที่ตอบนี่คือดื้อนะ <c oughs> คืออัตมาดื้อที่จะตอบ <c oughs> ออนะทั้งทั้งทีกว่าเป็นจริงเนี่ยแหมขนาดพระเจ้าท่านยังไม่ตอบเลยอ <c oughs> จริงๆเนี่ยอัตมานี่ไม่ควรดื้อนะ <c oughs> ก็ฝากบอกพวกเราเพราะว่าก็มีหลายคนก็สงสัยสงสัยนะแต่ถ้าปฏิบัติธรรมไปดีๆเถอะเราจะเข้าใจมากขึ้นแล้วแปลกนะบางทีเนี่ยไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องแปลอะไรหรอกปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยจะเข้าใจเรื่องวิญญาณมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่เพราะเราไปเข้าใจวิญญาณอะไรที่ไหนหรอกแต่มันเข้าใจวิญญาณตัวเองเนี่ยชัดเจนขึ้นมากขึ้น พะคุณเนี่ยได้ฝึกจับจิตของคุณก็คือจับสภาวะของวิญญาณของเราเองเราได้ฝึกจับอารมณ์จิตเราได้ปรับเราได้แก้ไขเวลาคิดไม่ดีเราก็ปรับมาให้ดีเพราะฉะนั้นใครเนี่ยที่เริ่มควบคุมจิตวิญญาณของตัวเองได้คุณจะหมดสงสัยตรงนี้ว่าเออถ้าเราควบคุมสภาพจิตวิญญาณของตัวเองได้เนี่ยถ้าถึงขั้นนั้นเมื่อไหร่นะคุณควบคุมได้ โดยที่เรียกว่าคุณสั่งได้คุณสั่งจิตวิญญาณคุณได้เลยนะไม่โกรธก็ไม่โกรธได้ไม่น้อยใจก็ไม่น้อยใจได้ไม่ต้องสงสัยคุณก็สั่งได้ว่าไม่ต้องสงสัยไม่ต้องรักไม่ต้องชังคุณสั่งได้หมดถ้าคุณถึงขนาดดีแล้วเนี่ยคุณจะไม่สงสัยเลยว่าคุณจะเกิดไหมหรือคุณจะไม่เกิดคุณจะยังไงเพราะมันขึ้นอยู่ที่คุณมันขึ้นอยู่ที่คุณแหละ ว่าคุณควบคุมได้ทุกอย่างเพราะวิญญาณ น, นี้ก็วิญญาณของเราเองไม่ใช่ของใครที่ไหนนี่ว่าอาจามาถึงบอกเ่ยปฏิบัติไปให้ดีแล้วมันจะพ้นสงสัยตัวนี้ได้ได้อย่างชัดเจนเลยแล้วได้อย่างอย่างเรียกว่าไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกไม่ต้องไปอ่านอะไรที่ไหนก็ได้เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครมาตอบก็ได้ก็จะรู้เองได้อะคงพอท่านนี้นะ